อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัิคือแปดร้อยห้าพิกษณีสัมผัสเพราะอาพาธเป็นเหตุ 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สามจบ